แสดงในพระธรรมคุณที่เราทั้งหลายสวยดกันอยู่ว่าสวากาโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิประภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสันดิธิโกเป็นธรรมะอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเอง อากาลิโกเป็นธรรมะไม่ประกอบในการเวลาเอหิปัสสิโกเป็นธรรมะที่พึงเรียกให้มาดูซึ่งได้แสดงมาโดยลำดับและโดยเฉพาะเป็นธรรมะที่พึงเรียกให้มาดูนั้นโดยตรง ก็คือพึงเรียกตนเองนี่แหละให้มาดูเมื่อเรียกตนเองให้มาดูด้วยอาศัยสติความระลึกกำหนดญาณปัญญาความอย่างรู้ความรู้ทั่วถึงจึงจะรู้จะเห็นธรรมะทั้งที่ เป็นส่วนปริยัติธรรมทั้งที่เป็นส่วนปฏิบัติธรรมและทั้งที่เป็นส่วนปฏิเวธธรรมความรู้แจ้งแทงตลอดอันหมายถึงผลของการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงมรรคนิพพานเพราะธรรม ะ, เ, ะเป็นสภาพที่มีอยู่และเป็นสภาพที่บริสุทธิ์ผุดพอง ฉะนั้นจึงควรเรียกให้มาดูเพราะมีอยู่จึงเห็นได้และเพราะเป็นสภาพบริสุทธิ์ผุดพองจึงทำให้ผู้ดูได้รับความบริสุทธิ์ผุดพองแต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยมีการน้อมเข้ามา ดังบทพระธรรมคุณต่อไปว่าโอปณ ะ, ะอีโกควรน้อมเข้ามาโดยตรงก็คือน้อมจิตนี้เองเข้ามาเข้ามาดูจึงจะรู้จึงจะเห็นจิตนี้เป็นบิญญาณธาตุคือธาตุรู้และเป็นธรรมชาติติปภัชสอนคือผุดพอง แปลว่าเพราะจิตนี้มีกิเลสคือเครื่องสมองที่จอนเข้ามาตั้งอาศัยอยู่ในจิตจึงเรียกกิเลสว่าอุปกิเลสแปลว่ากิเลสที่จอนเข้ามาจึงทําจิตนี้ให้เศร้าหมองไปและกิเลสนี้เองก็เป็นเครื่องปิดบังธาตุรู้ ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นตามเป็นจริงแต่ว่าให้รู้ให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริงเพราะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติรู้ก็ต้องรู้ไม่รู้ผิดก็ต้องรู้ถูกหรือไม่รู้ถูกก็ต้องรู้ผิดเมื่อจิตเศร้ามองเพราะกิเลส ท, ที่จอนเข้ามาทำให้ ความประพัดสอนคือผุดผ่องความผุดผ่องของจิตมัวมองเหมือนอย่างเหมือนอย่างแว่นส่องหรือกระจกเงาหรือแม้วันตาที่มัวหมองมีฝุ่นละอองจับมีสิ่งสกปรกจับย่อมทำไม่ให้ไม่อาจที่จะส่องดูได้หรือว่าส่อง หรือว่าสวมว่นดูอะไรให้เห็นได้จิตก็เป็นเหมือนเช่นนั้นเมื่อมีเครื่องเศราหมองตั้งอยู่ในจิตทำให้ความประพัดสอนคือผุดผ่องของจิตนั้นมูวหมองไปไม่ปรากฏก็ทำให้รู้ผิดเห็นผิดต่อเมื่อได้ชำระ ล้างเช็ดสิ่งที่เซลลมองนั้นที่แว่นส่องหรือที่กระจกหรือที่แว่นตาให้แว่นส่องสะอาดบริสุทธิ์ให้แว่นตาสะอาดบริสุทธิ์จึงจะส่องดูอะไรได้หรือส่องหรือสวมแว่นอานา่านหนังสือได้ดูอะไรได้จิตก็เช่นเดียวกัน เมื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์จากเครื่องเศราหมองความประพัดสอนของจิตที่เป็นธรรมชาติปรากฏเต็มที่จึงจะทำให้รู้ถูกเห็นถูกรู้ชอบเห็นชอบตามที่เป็นจริงและจิตนี้มีธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้ เมื่อน้อมไปทางไหนมากก็เอนเอียงไปทางนั้นเป็นไปทางนั้นมากไม่เอ็นเอียงไปทางอื่นไม่เป็นไปในทางอื่นความน้อมไปของจิตดังกล่าวนี้ก็น้อมไปด้วยวิตกความตรึก นึกคิดวิจารณ์ความตรองเมื่อจิตนี้วิตกวิจารณ์นึกคิดิรตรองไปในทางใดมากก็ น, น้อมไปในทางนั้นมากไม่น้อมไปในทางอื่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดังนี้ในพระสูตรที่เรียกว่า เเวทาวิตั ก, กสูตรกสูตรที่รัตสอนให้ทำวิตกคือความปรึกนึกคิดให้เป็นสองส่วนคือให้เป็นฝ่ายอากุศ ล, ลวิตกความปรึกนึกคิดที่เป็นอากุศลส่วนหนึ่ง ให้เป็นกุศลวิตกคือความตึกนึกคิดที่เป็นกุศลอีกส่วนหนึ่งด้วยปัญญาคือความรู้นี้เองเมื่อจิตคิดไปด้วยอกุศลวิตกความตึกนึกคิดที่เป็นอากุศลคือกามวิตก ความตรึกนึกคิดไปในกามคืออารมณ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายพยาบาทวิตกตรึกนึกคิดไปในทางระทุสไรปองไรมีหิงสาวิตกตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียนก็ให้รู้ บัตรนี้เราตรึกนึกคิดไปอย่างนี้อย่างนี้และความตรึกนึกคิดไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นผักไฟแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพานคือความดับกิเลส เมื่อทำปัญญาคือความรู้ให้เกิดขึ้นดังนี้ให้จิตนี้รับรู้ในโทษความของความปรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลดังกล่าวอากุศลนบิตกความปรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลดังกล่าวก็จะนับไปดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติ ทำอกุศลนบิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลไว้กองหนึ่งไว้ส่วนหนึ่งด้วยปัญญาคือความรู้เมื่อตรึกนึกคิดไปในทางกุศลอันตรงกันข้ามคือในการออกจากกรรมในไม่พยาบาทมุ่งไร่ปองไร่ในความไม่เบียดเบียนก็ให้รู้ รองบัดนี้เราตรึกนึกคิดอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่เป็นไปเพื่อดับปัญญาไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานคือความดับกิเลสเมื่อ ทำความรู้ให้จิตรับรู้อยู่ดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ทํากุศลวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศลไว้อีกกองหนึ่งอีกส่วนหนึ่งและได้ตรัสเอาไว้ว่าเมื่อวิตกคือตรึกนึกคิด วิจารคือตรองไปในฝ่ายอากุศลมากก็ย่อมละฝ่ายกุศลย่อมตั้งอยู่ในฝ่ายอากุศลมากความน้อมไปของจิตใจก็ย่อมน้อมไปในฝ่ายอากุศลมากแต่ถ้าปรึกนึกคิดตรีตรอง ไปมากในฝ่ายกุศลก็จะละฝ่ายอกุศลเมื่อวิตกคือตรึกนึกคิดวิจารคือตรองไปในฝ่ายอกุศลมากก็ย่อมละฝ่ายกุศลย่อมตั้งอยู่ในฝ่ายอกุศลมากความน้อมไปของจิตใจ ก็ยอมน้อมไปในฝ่ายอกุศลมากแต่ถ้าปรึกนึกคิดตรีตรองไปมากในฝ่ายกุศลก็จะละฝ่ายอกุศลจะตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลมากความน้อมไปของจิตก็จะน้อมไปในฝ่ายกุศลมากจิตย่อม มีธรรมชาติที่น้อมไปในทางใดทางหนึ่งมากดังนี้แต่ว่าเมื่อ น, น้อมไปในฝ่ายอากุศลผูปฏิบัติก็พึงห้ามจิตหยุดจิตเตือนจิตให้หยุดจาก ความน้อมไปในทางอากุศลนั้นซึ่งตัดอุปมาไว้เหมือนอย่างคนเลี้ยงโคที่ตอนโคไปเลี้ยงในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนนาเต็มไปด้วยข้าวกล้าฝูงโคก็จะแวะเวียนกินข้าวกล้าของชาวนาคนเลี้ยงโคก็ต้องใช้ประตัก ตีบ้างแทงบ้างตอนขับไล่ห้ามมิให้ฝูงวัวแวะเวียงกินข้าวของชาวนาชั้นใดบุคคลก็ต้องคอยห้ามจิตเตือนจิตดุจิตแนะนำจิตให้หยุดจากความฝึกนึกคิด ตรีรองไปในอกุศลทั้งหลายชั้นนั้นพระวัาจิตนี้เป็นธาตุรู้เมื่อให้คำแนะนำตักเตือนห้ามปรามดูว่าจิตของตนเองจิตก็จะสามารถรับรู้ได้แล้วก็จะหยุดได้จากความตรึกนึกคิดตรีรองไปในไฟอกุศล น, นั้นนั้น และก็เตือนได้แนะนำได้ให้ตรึกนึกคิดไปแต่ในฝ่ายกุศลเมื่อตรึกนึกคิดไปในฝ่ายกุศลดูแล้วก็ต้องรักษาไว้ให้ตรึกนึกคิดอยู่แต่ในฝ่ายกุศลแต่ส่วนเดียวและก็ได้ตรัสสอนอีกว่าแม้ว่า กะตุกนึกคิดตรีตรองอยู่แต่ในไฟกุศลอย่างเดียวทํามากเกินไปคือตรึตกนึกคิดไปในทางกุศลนั่นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ต้องพักกันก็จะทำให้กายนี้ลำบากจะทำให้จิตนี้ ฟุ้งขึ้นเพราะฉะนั้นแม้จะตรึกนึกคิดตรีตรองไปในทางกุศลก็ให้เป็นไปพอสมควรและก็ต้องปฏิบัติหยุดแม้ความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศลนั้นตั้งจิตให้สงบอยู่ในภายในรู้ธรรมะในภายในจิตว่ามีอยู่ คือรู้ความสงบนี้เองที่เป็นภายในอยู่กับความสงบในภายในเมื่อเป็นดังนี้กายก็จะไม่ลำบากจิตก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ฟุ้งขึ้นจะเป็นไปเพื่อสมาธิจนถึงสมาธิที่แนบแน่นจนถึงฌาน เป็นไปเพื่อวิชาคือความรู้หรือญาณคือความอย่างรู้ที่สูงขึ้นจนถึงที่สุดและเมื่อปฏิบัติหัดจิตให้น้อมมาในทางกุศลมากคือตรึกนึกคิดตรีดรองมาในฝ่ายกุศลมาก จิต ก, ก็จะตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลมากและก็จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายจึงกลัดเปรียบไว้ว่าเหมือนอย่างคนเลี้ยงโคที่ต้อนโคเลี้ยงในปลายฤดูร้อนท้องนาก็ไม่มีเข้ากล้ะ ก็ปล่อยโคให้เที่ยวหากินไปตามสบายไม่ต้องกลัวว่าโคจะไปแวะเวียนกินข้าวกล้าวของชาวนาผู้เลี้ยงโคเองก็นั่งพักได้ที่ใต้ร่มไม้เพียงแต่คอยดูว่าโคอยู่ที่นั่นที่นั่นเท่านั้น ไม่ต้องไปคอยไล่คอยต้อนเพราะกลัว่าโคจะกินข้าวของชาวนาเพราะว่านาในเวลานั้นไม่มีข้าวกลาอยู่แล้วมีแต่หญ้าสําหรับที่จะให้โคกินจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อในฝึกขัดปฏิบัติให้น้อมมาในทางกุศลมากก็จะตั้งอยู่ในกุศลมาก อยู่ตัวอยู่ในทางกุศลมากเพราะฉะนั้นอาการที่จะต้องคอยกดขันจิตก็น้อยลงได้อาการที่จะห้ามปรามจิตที่จะดุว่าจิตก็น้อยลงได้เพราะว่าจิตน้อมมาในทางกุศลอยู่ตัวขึ้นมากแล้วผู้ปฏิบัติก็นั่งสงบอยู่ในภายในได้ืตั้งอยู่ในสมาธิ ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวคนเลี้ยงโคนนั่นนั่งสงบอยู่ใต้โคนไม้ทำความรู้อยู่ว่าโคอยู่ที่นั่นส่วนภูปฏิบัติธรรมะนั่นก็ตั้งจิตสงบอยู่ในภายในรู้ว่าจิตมีอยู่อารมณ์ที่จิตกาหนดมีอยู่ในภายใน อันอารมณ์จิตกำหนดที่มีอยู่ในภายในนั้นก็คือว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติดังเช่นสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมก็ทําความกำหนดอยู่ในภายใน ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่ตามที่กําหนดตั้งไว้และเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะมีอารมณ์เป็นอันเดียวตั้งอยู่ในภายในเป็นสติปัฏฐานตั้งสติอยู่ในภายในการปฏิบัติดังนี้ ก็ต้องอาศัยโอปัญยีโกน้อมเข้ามาคือน้อมจิตนี้เองเข้ามาในกุศลธรรมทั้งหลายในกุศลวิกตกทั้งหลายและน้อมเข้ามาในสมาธิน้อมเข้ามาในปัญญาเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงจะได้ ธรรมะที่ปฏิบัติจึงจะถึงธรรมะที่ปฏิบัติจึงจะรู้จึงจะเห็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระธรรมคุณบทนี้จึงเป็นหลักปฏิบัติอันสําคัญอีกข้อหนึ่งสืบเนื่องมาจากข้อตนๆเรียกตนให้มาดูก็จะต้องน้อมจิตนี้เองเข้ามาดู ถ้าไม่น้อมจิตนี้เข้ามาดูแล้วก็จะเห็นธรรมะไม่ได้แต่ว่าการที่จะน้อมจิตเข้ามาดูนั้นก็ต้องปฏิบัติหัดน้อมเข้ามาตั้งตนแต่หัดทำความรู้จักวิตกวิจารในจิตใจของตนเองคือรู้จักความนึกคิดตรีตรองในจิตใจของตนเอง เป็นอกุศลก็ให้รู้เป็นกุศลก็ให้รู้เท่ากับแยกไว้เป็นสองกองและให้รู้ถึงโทษของวิตกวิจารที่เป็นฝ่ายอกุศลให้รู้ถึงคุณของวิตกวิจาร์ที่เป็นฝ่ายกุศลปฏิบัติห้ามจิตของตนไม่มีวิตกวิจาร์ไปในฝ่ายอกุศล แต่แนะนำตักเตือนให้วิตกวิจาร์ไปในฝ่ายกุศลและในเบื้องต้นก็จะเป็นการปฏิบัติลำบากเพราะจิตนี้เคยน้อมไปในฝ่ายกุศลอยู่เป็นอาจินเมื่อกลับมาน้อมไปในฝ่ายกุศลก็เป็นการยากะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติจึงมักจะบ่นกันว่าทำสมาธิไม่ได้ปฏิบัติในศีลก็ไม่ได้คือห้ามจิตไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ดังนั้นตนเองก็ต้องเป็นนายโคบาลที่คอยถือประตักที่จะป้องกันจิตของตัวเองที่เหมือนเปรีบเหมือนโคที่ชอบแวะกินข้าวกล้าในนาของชาวนา เห็นเดียวกับจิตที่ชอบวิตกวิจารไปในกามทั้งหลายเป็นในทางเบียดเบียนไปในทางพยาบาทไปในทางเบียดเบีย น, น, ยาา น, ยยนก็ต้องคอยลงประตับจิตนี่แหละข้ามจิตหัดให้น้อมมาในทางกุศลเป็นในการปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาที่ปฏิบัติกันอยู่ แปลว่าทีแรกก็ต้องลงประตักกันลงประตักจกิตของตัวเองหัดให้น้อมเข้ามาในทางกุศลและเมื่อหัดบ่อยๆดังนี้แล้วความน้อมของจิตก็จะน้อมมาเองโดยสะดวกการที่จะต้องลงประตักกิจก็ไม่ต้องกันเลิกได้เหมือนอย่างนาโคบานที่ปล่อยโคให้เที่ยวกินหญ้า อยู่ในปลายฤดูร้อนน า, าไม่มีข้าวกล้าคนเลี้ยงโคคนนั่งสบายอยู่ใต้ต้นไม้คอยดูว่าโคอยู่ที่นั่นที่นี่เท่านั้นเหมือนดังจิตตั้งสงบอยู่ในภายในรู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่การปฏิบัติก็เป็นไปได้ง่ายในเมื่อจิตน้อมเข้ามาในทางกุศล ได้มากและอยู่ตัวขึ้นแล้วนี่แหละคือโอปันยโกพึงน้อมเข้ามาก็คือพึงน้อมกิจนี่เองเข้ามาสู่ธรรมะจึงจะได้เห็นธรรมะจึงจะได้บรรลุธรรมะต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป